อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่ยี่สิบสองเจ้าพระยานครราชสีมาทาก้นศึกรับทัพยวนฝ่ายกองทัพยวนยกติดตามกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมามานั้นหยวนเดินทัพมาช้าด้วยเหตุอนันใดหาทราบไม่จนกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมา ล่าถอยมาตั้งค่ายตั้งป้อมพร้อมสิทธิเป็นที่มั่นคงแข็งแรงแต่ขณะนั้นขัดด้วยสเสบียงอาหารกันดานนักจะตั้งพักอยู่ช้าไม่ได้กลัวไผ่พนจะอดตายถ้ายวนไม่ยกมาตามแน่ไถจะต้องล่าถอยไปพักไผ่พลอยู่ที่มเมืองขมินก่อนจะได้อาศัยสเสบียงอาหารที่นั่นครันคิดดังนั้นแล้วจึงสั่งให้หลวงนรินทรานุรักกับหลวงรองศัสดี ขึ้นมาคุมทหารมาห้าสิบยกไปสื่อราชการทัพยวนว่าจะยกมาตั้งอยู่ที่ใดบ้างแล้วพระยาราชนิกูลมีคำสั่งคุนพลพักดีคุ้มขมิไปตัดไม้ยิ้วไม้อย่างทำเป็นเรือโกรนดังเช่นเรือชล่าสามสิบลำมีกันเชียงและจังกูดพร้อมทุกลำเสร็จแล้วเจ้าพระยานครราชสีมาสั่งพระพิพิธพักดี จางวางกองโคเมืองนครราชสีมาขุมไพร่พลลาวโคราชเป็นกองอาธมารร้อยคนสั่งพระยานาคร อ, อินทร์รามันกับสมิงปราบอังวะหนึ่งสมิงรัตนารักษ์หนึ่งเป็นนายกองขุมไพร่พลรามันร้อยหนึ่งทั้งลาวและรามันเป็นสองกองลงเรือชลาข้ามแม่น้ำขงไปฟังฝ้าข้างโนนให้ไปสืบราชการทับยวนว่ามาตั้งอยู่ที่ใดบ้าง ครั้งนั้นกองรามันสมิงปราบอังวะไปสืบกลับมาได้ความว่ายวนยกทัพใหญ่มาหลายทิศหลายทางกองรามันก็ลงเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงกลับมาเมื่อกองรามันเดินทัพกลับมานั้นจับได้ขมรและยวนซึ่งไปเที่ยวหาของกินในป่าแล้วป่วยไข้เดินเมื่อยลาไปไม่ทันเพื่อนนั้นกองรามันจึงจับมาได้ยวนสี่คนขมรดสองคน รวมหกคนในป่าจึงพาเฉลยข้าศึกหกคนมาส่งให้ท่านเจ้าพระยานครราชสีมาเจ้าพระยานครราชสีมาสั่งล่ามพนักงานถามยวนทั้งสี่คนหยวนทั้งสี่คนให้การต่างๆกันไม่ต้องคากันคนที่หนึ่งให้การว่าองค์ูเลยขุนนางฝ่ายบูเป็นข้าหลวงเดิมของพระเจ้าเวียดนามมินมางพระองค์ใหม่พระเจ้าเวียดนามมินมางพระองค์ใหม่ ใช่ให้องค์กูเลยเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือพลุ่งพ้นฐานหมื่นหนึ่งมีช้างมา้าโคต่างมาในกองเป็นอันมากเพื่อจะมาเพิ่มเติมกองทัพองคเตียนกุนเสนาบดีกรุงเวที่ยกมาเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิ์สําเร็จราชการทัพทั้งสิน้นซึ่งยกมาตีทัพไทยนั้นองค์กูเลยแม่ทัพทางเหนือยกมาตามตีกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมา ย้วนอีกคนหนึ่งเป็นที่สองให้การว่าองค์กูเลยแม่ทัพฝ่ายเหนือมีไพ่พลแต่สองพันเท่านั้นยกมาเป็นทัพหนุนองค์เตียนตุนเสนาบดีถืออาญาสิทธ์จะไปตีเมืองไส้งอนซึ่งเป็นขบฏต่อกรุงเวย้วนอีกคนหนึ่งเป็นที่สามให้การว่าองค์ทูหับถือพลทหารห้าพันเป็นแม่ทัพบก ยกมาตามตีทัพไทยที่ฝั่งแม่น้ํำขงและมีทัพเรือยกมาด้วยกองหนึ่งเป็นสองทัพไพร่พลสองพันเรือรบแห่โอแห่าตายร้อยห้าสิบลำแต่แม่ทัพเรือจะหาชื่อใดหาทราบไม่ทั้งทัพ บ, บกทัพเรือรวมมาทางเดียวกันจะมาตามตีทัพไทยย้อนอีกคนหนึ่งเป็นที่สี่ให้การว่าองค์ปูเลยยกมาแต่ทัพเดียวเท่านั้น จะมีไพ่พลมากน้อยเท่าใดและจะไปตีไส่งอนหรือจะตีไทยหาทราบไหมขเมนที่จับมาพร้อมกันกับยวนนั้นให้การว่าทับเรือทับบกที่ยกมานั้นเป็นทับบิดหน่อยยกมาเกือบจะถึงแต่ไพ่พลจะมีมากน้อยเท่าใดไม่ทราบจะมาตีไทยหรือจะไปตีไส่งอนหาแจ้งไหมขเมนอีกคนหนึ่งให้การว่า เป็นบุตรเขยยวนพ่อตาถูกเกณฑ์ไปทัพหนีกลับมาเล่าว่ายวนจะยกทัพใหญ่มีไพ่พลมากเกือบสองหมื่นแยกเป็นกองทัพสี่กองให้ยกมาตามตีไทยสามกองกองหนึ่งให้ยกไปหนุนทัพองคเทียนกุลเสนาบดีกรุงเวให้ไปช่วยตีเมืองไส่นซึ่งตั้งแข็งเมืองเป็นขบดนั้นเมื่อเจ้าพระยานครราชศรีมาได้ฟังคาใหการยวนสี่คนขเขมรสองคน เหนือความหาถูกต้องกันไม่จึงไม่เชื่อถ้อยคํายวนและคํำขมิเห็นว่ายวนและขมิฉเฉลยพูดจาอวดอ้างไพรพลและทัพ บ, บกทับเรือมากมายไม่ถูกต้องเป็นคําเดียวกันเป็นความคิดพวกยวนฉเฉลยพูดหลอกคมภูไทยให้กลัวพวกมันจึงสั่งนายทัพนายกองให้พายวนสี่ขมิญสองไปแยกย้ายกันไต่ถามก็ยังยืนอย่างคําเดิมอยู่ จึงให้ปักหลักจำคาติดไม้เคลื่อนถามก็ยังได้เนื้อความแตกต่างกันอย่างเดิมเคลื่อนคนละสองยกหกสิบทีบ้างคนละแปดสิบทีบ้างก็ไม่ได้ความต้องกันยวนคนหนึ่งพูดโลเลยักย้ายมากมายกลับไปกรอกมาจึงสั่งให้ชำระดูที่ไอ้คนนั้นเพราะมันพูดภาษาไทยได้บ้างด้วยมันเคยมาค้าขายทางทะเลได้ไปมาที่เมืองจันทบุรีเนืองเนือง จึงรู้จักภาษาไทยให้เคลื่อนถามก็ไม่ออกความให้กระจ่างเลยเคลื่อนถึงร้อยแปดสิบีตายอยู่ในค่าเจ้าพระยานครราชสีมาไม่ไว้ใจแก่ราชการกล่าวว่ายวนจะยกทัพใหญ่มาทั้งทางบกและทางเรือสมจริงดังยวนสี่คนพูดนั้นแล้วก็จะเสียท่วงทีแก่ราชการจึงสั่งให้พระยาพรมยกกระบัิ และนายทัพนายกองขุมพร่สพนที่ทุกพลภาพป่วยไข้กับปืนใหญ่สเบียงอาหารบรรทุกโคต่างช้างเวียนยกล่วงหน้าล่าถอยไปก่อนให้พระเทพสงครามขมิหร้อยเศษยกตามไปในกองพระยาพรมยกกระบัิจะได้ให้ขมรเป็นผู้หาผามสเบียงอาหารและเลี้ยงช้างมา้าโคกระบือด้วยแล้วให้หลวงสิทธิชัยขุมพรพลลาวโคราดถือปืนคาบศิลาสองร้อยคน เดินแสงกำจับขมิ้นไปขณะนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาจัดแจงแต่งไข่คูประตูหรบไวรับยวนเสร็จแล้วรุ่งขึ้นขุนชัยศักดาหานายกองด่านขุมพลทหารมาไปลาดตะเวนตามฝั่งแม่น้ำโขงกลับมาแจ้งความว่าไปสืบถามตามลาวชาวป่าได้ความว่ากองทัพยวนที่ยกมาตีกองทัพพระยานครสวรรค์ น, นั้น บัดนี้ยกทัพเลยเรียกฝั่งแม่น้ําโขงไปทางเมืองลาวได้ยินข่าวว่าจะยกไปตามตีทัพเจ้าพระยาบดินเดชาที่พักอยู่ณเมืองขมรในวันนั้นเวลาเที่ยงพระมหาไทยกับหลวงอภัยบดินทร์ทอหลวงนรินทร์ทิเบศขุมไพรผลกองลาตะเวนข้ามแม่น้ําโขงไปถือฝั่งภากตะวันออกพบกองทัพยวนยวนนําทัพช้างไล่กองระเวนไทย กองตะเวนไทยวิ่งหนีลงเรือชลาเรือมาสมาได้35ิ้าคนช่วยกันตีกันเชียงจะข้ามลำแม่น้ำโขงมาแต่พวกไทยกองตะเวนที่วิ่งมาลงเรือไม่ทันยังเหลืออยู่บนตลิ่งหาทราย36คนหยวนฆ่าตายหมดแล้วยวนนำช้างไล่เรือชลาที่ไทยหนีมานั้นจนถึงสายน้ำลึกหาทันเรือไทยไม่ยวนนำปืนหามเล่นปืนหลักบนหลังช้างยิงระดมมาถูกชลาไทยล่มลงทุกลา คนในเรือชาลาถูกปืนตายสิบห้าคนเหลือตายยี่สิบคนก็ขุดสาหะว่ายน้ำข้ามฟากแม่น้ำมาถึงฝั่งตะวันตกขึ้นไปเข้าค่ายได้ฝ่ายยวนเห็นเรือชาลาเรือกลนของไทยยังเหลืออยู่ที่ตลิอีอีกหลายลำยวนก็เก็บนำไปรักษาไว้สิ้นสักครู่หนึ่งพอกองรามันสมิงปรปาบไพลีขุมไพ่ไ ป, ปสืบราชการทัพกลับมาจะลงเรือชาลาหาเห็นเรือไม่ จึงได้ตัดไม้ที่แห้งๆเป็นขอนจะได้เกาะว่ายข้ามแม่น้ำโขงมายังค่ายไทยขณะนั้นพอกองทัพยวนนำทัพช้างไล่แทงฟันยิงพวกรามันกองระเวนไทยที่จัดการจะข้ามน้ำนั้นตายหกสิบแปดคนจับเป็นไปได้หกสิบคนเกาะขอนไม้ว่ายน้ำข้ามฟากแม่น้ำโขงหนีกลับมาได้หกสิบคนแต่ไพ่ทั้งนั้นนายใหญ่และนายรองตายหมดไม่เหลือเลยขณะนั้น เจ้าพรยานครราชสีมาเห็นยวนยกทัพใหญ่มาไล่ฆ่าไทยกองตระเวนบนตลิ่งและตามหาสายในลำแม่น้าโขงนั้นก็เข้าใจว่าทัพ บ, บกยวนยกมาถึงท่าข้ามแล้วแต่ยวนตั้งทัพนิ่งนิ่งอยู่บนฝั่งลำแม่น้ำโขงยวนไม่ตัดไม้ไผ่ทาแพข้ามลำแม่น้าโขงให้ผู้คนช้างมา้าเดินทัพมาตามตีทัพไทยตามทานองศึกใหญ่ดังนั้น เห็นยวนตั้งทัพอยู่ถึงสามวันแล้วไม่ข้ามทัพมาเจ้าพระยานครราชสีมาจึงคาดขณีว่าซึ่งยวนไม่ทําแพรข้ามลําแม่นางโขงมานั้นชะรอยหยวนจะคอยทัพเรือมาเมื่อใดจึงจะลงเรือข้ามน้ํามาเมื่อนั้นแต่เห็นทีทัพเรือของยวนจะมาล่าช้าไปไม่ทันท่วงทีทัพบกทัพบกจึงตั้งรังรอที่ฝั่งท่าข้ามดังนี้ ซึ่งเราจะตั้งรับทับยวนอยู่ที่ค่ายนี้เห็นจะเสียช่งทีแก่ข้าศึกยวนเพราะยวนมีทับมาถั้งบกและทับเรือมากเป็นศึกใหญ่เหลือกำลังเราเราจะต้องทิ้งค่ายที่ริมฝั่งแม่น้ําโผงนี้เสียในวันสองวันนี้แล้วก็จะได้ล่าทับถอยหนีข้าศึกใหญ่ไปอาศัยเมืองขมิญพอจะได้เสบียงเลี้ยงไถ่พลคราวขับสนนี้ต่อไปซึ่งเราจะล่าทับถอยไปครั้งนี้ ก็จะหนีไปตามบุญตามกรรมเมื่อยวนยกทัพใหญ่ไล่ตามมาทันก็สู้กันแต่จะหนีไปตรงๆงไม่ได้กลัวจะเดินไปไม่ถึงเมืองขมิญแต่จะต้องทำกลอุบายไว้ในค่ายไม่ให้ยวนตามไปได้โดยเร็วคิดอุบายนำดินดำลงฝังไว้ใต้แผ่นดินในค่ายและรอบค่ายนอกค่ายด้วยแล้วนำปืนใหญ่ที่เหลือกำลังจะขนพาหนีไปได้นั้น บรรจุกระสุนและดินดำให้เกินส่วนสัตว์หลายเท่าลงฝังไว้ใต้ค่ายหลายสิบกระบอกล่ามชนวนเชื่อมถึงกันโดยรอบแล้วล่ามชนวนขึ้นมาถึงใต้เตาไฟเก่าในค่ายทุกเตาไฟแล้วทิ้งเสบียงอาหารดิบสุกไว้ตามสมควรแล้วก็ล่าทับถอยไปในค่ำวันนั้นขณะนั้นสั่งให้พระยาพิชัยสงครามและพระยาชนะพลแสนให้คุมไพ่พลห้าร้อยอยู่รังหลัง ถ้าเห็นยวนยกข้ามลำแม่น้ำผงมาแล้วให้ทัพรังหลังยกล่าถอยตามไปแต่เจ้าพระยานครราชสีมาเดินกองทัพเรียบเร่งมาสองวันสองคืนถึงลำแม่น้ำเก่าแฝวหนึ่งเป็นปลายน้ำแยกมาแต่ลำแม่น้ำผงใหญ่ที่แม่น้ำเก่านั้นขเมนผู้นำทางเรียกชื่อว่าแพรกกันบดแปลเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำด้วนหรือครองตัน แม่น้ำนั้นเป็นลำน้ำเล็กๆเหมือนคลองใหญ่ๆแต่น้ำลึกมากจะให้ไพร่พลลงรุ้ยน้ำข้ามคลองไปไม่ได้จึงเกณฑ์ไพร่พลระดมกันไปตัดไม้มาปักเสาทำสะพานเรียกข้ามคลองเสร็จในวันเดียวจึงพลช้างม้าโคต่างข้ามสะพานไปแล้วจึงสั่งทหารเสียมไม้รวกเป็นเหล่าปักจมน้ำไว้ใต้สะพานเรียกเป็นเหล่าหลายหมื่นทั้งริมสะพานด้วยแล้วนำเรื่อยชักเสาสะพานให้คอด เกือบจะขาดทุกเสาแล้วก็เดินทับเป็นลําดับต่อมาถึงวัดร้างวัดหนึ่งทเมศนํานนทางเรียกชื่อว่าเวทุนเดอรมาลิแปลเป็นภาษาไทยว่าวัดโคกเป็นวัดใหญ่โตแต่เป็นวัดร้างตั้งอยู่กลางป่าเป็นเชยภูมิมิดีจึงสั่งให้พักพ่หยุดอยู่ที่โคกวัดร้างนั้นคืนหนึ่งถึงมาดว่า ยวนจะยกตามมาก็จะอาศัยโบทเก่าทําเป็นป้อมค่ายต่อรบสู้กับยวนลองดูสักพักหนึ่งอานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่ยี่สิสองเจ้าพญานครราชสีมาทากลศึกรับทัหยวนกําลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป